ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุรชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็จะพูดเรื่องกรณียเมตสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยเมตตาซึ่งบุคคลพึงกระทาในสัตว์ทั้งหลายต่อจากที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อวั น, น, นวันเสาร์าก่อน มันก่อนนั้นได้พูดมาถึงชุดของธรรมะที่ว่าสันตุสโกจะสุพโรจะอกิจโจะสันละหุกวุติคือความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้เลี้ยงง่ายสอนง่ายและความเป็นผู้มีกิจการงานน้อยกับประพฤติตนเป็นคนบอกายพบจิต แต่ปกดีองค์ธรรมก็สับกันหน่อยในะยบงังกรก ล, กลายเป็นเรื่องของอปักะโพกับกุบเลสุอนานุกิโต้คำว่าเป็นผู้มีกิจการงานน้อยนั้นถ้ท่านทั้งหลายมองในรูปของบุคคลที่ฟังพระธรรมเทศนาตอนนั้นเราจะพบว่าเป็นเรื่องการสอนพระภิกษุที่เข้าไปปฏิบัติกรรมฐาน ถ้าหากว่าไปใส่ใจในอีกิจการงานซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของกรรมฐานมากลายเป็นความปริโภทความกังวลเวลาไปทำกรรมฐานก็จริงๆไอ้ในความสงบก็เกิดขึ้นได้ยากดังนั้นจึงทรงสอนให้เป็นผู้มีกิจการงานน้อยคือไม่มีภาระยุ่งยากมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะสอนให้คนขี้เกียจเพราะเป็นเรื่องของการงานทางใจเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจตนประการหนึ่งนั้นจะเห็นว่าระดับของการรองเรือนของคนทั่ ว, วไปแม้จะมีภารกิจการงานอยู่มากเราก็สามารถที่จะทำงานให้น้อยได้ โดยทําเฉพาะงานที่มาถึงเข้าตามลําดับก่อนหลังและตามลําดับความสําคัญของงานเหล่านั้นแล้วเมื่อเสร็จก็ต้องถือว่าให้เสร็จไปไม่ไปคอยคว้างานที่ยังไม่มาถึงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงหลักของคนพาลกับหลักของบัณฑิตเอาไว้ชุดหนึ่งว่า คนพาลย่อมขว่คว้าภาระที่ยังไม่มาถึงแต่ก็ไม่ใส่ใจในภาระที่มาถึงเข้าวก็เรียกว่าเป็นคนไม่ได้งานได้การอะไรแต่บัณฑิตนั้นจะไม่ไ ข, ขว่คว้าภาระที่ไม่มาถึงแต่จะทำให้ความสาคัญใส่ใจทั้งภาระที่มาถึงเข้าเพราะการทำงานถ้าเรามองในรูปคล้ายๆกับอะไร ที่โรงงานเขาผลิตของนี่มันขวดมันไหลลงมาหรืออะไรก็ตามที่มันไหลลงมาคือใครรับผิดชอบในจุดใดก็ใส่ใจเฉพาะในจุดนั้นในจุดอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นเป็นภาระของคนอื่นไปแล้วก็กลกรอยวางภาระลงไปได้แต่ส่วนมากแล้วคนเราไปอุ้มงานเอาไว้ไปแบกงานเอาไว้ก็ทําให้รู้สึกหนักและเดือดร้อนกับการงานเหล่านั้น ซึ่งเป็นการเชี่ยเห็นว่าถ้าสามารถทำใจได้แม้กิจการงานที่จะต้องทำด้วยมือด้วยสติปัญญาโดยที่แรงมากมันก็ทำให้น้อยลงมาได้โดยไม่แบกไม่หามงานเหล่านั้นไว้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นผู้ประพฤติเบาหรือเบากายเบาจิตก็เรื่องสองเรื่องในการเบากายนั้น ก็หมายถึงการไม่ทำตัวเองให้หนักด้วยภาระด้วยกิจการงานก็ต่อเนื่องกันมาส่วนเบาจิตเป็นเรื่องของการรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสงบใจจากอารมณ์ต่างๆข้อนี้เป็นเป็นหลักปฏิบัติที่ถือว่าสำคัญมาก จะช่วยคนไม่ต้องไปแบกโลกแบกสังคมแบกอะไรเอาไว้มีปัญหาอะไรก็ปล่อยไปตามธรรมดาก็บ้างแต่ไม่ใช่เป็นคนไม่เอาเรื่องคือหมายความว่าเรื่องก็เอาแต่ว่าเสร็จก็ต้องให้เสร็จกันไปลักษณะความเป็นผู้ประพฤติเบานี้มันจะทําให้คนโปร่งเบาในส่วนของร่างกาย ท, ท่านจะเห็นว่า รูปแบบของพระที่ระพุทธเจ้าทรงวางไว้มันก็เป็นรูปแบบที่ต้องการให้เบาเช่นว่าธรรมะบริขารก็มีอยู่จำนวนน้อยไปไหนมาไหนมันก็มีลักษณะที่คล่องตัวแต่บางทีก็หนักเวลาจะไปไหนมันก็กลายเป็นเรื่องหนักมีการตเตรียมใหญ่มีคนมีข้าวของมีสิ่งของมากมายเก่ดกอง แล้วกลายเป็นเรื่องหนักแล้วก็เป็นภาระอิรุงตุงนังมากมายแต่ถ้าเราตัดไอ้ความยุ่งยากเหล่านั้นออกไปได้ก็ถือเป็นการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่ ง, งอยู่ที่บ้านที่เรือนมันก็อีกอย่างหนึ่งออกไปข้างนอกก็อีกอย่างหนึ่งเราทาให้เบาลงไปได้มากประการต่อไปคือสันตินทริโย ก็มีอินทรีย์ที่สงบระ ง, งับอินทรีย์ก็คืออะไรอินทรีย์ในที่นี้ก็คือสิ่งที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนตามปกติแล้วก็จําแนกแสดงไว้ถึง22่ข้อด้วยกันตินทรีย์ที่สงบระ ง, งับนั้นก็เน้นไปที่6ข้อเท่านั้นเองคืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ จักขุนสีโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายินสี่มะินสีตรงนี้ก็คือเรื่องสง บ, งบะงบหมายความว่าตาเองก็ไม่สอดสายไปหารูป เ, เกินไปหูก็ไม่สายไปฟังเสียงมากไปแม้จะมุกลิ้นกายก็มีลักษณะอย่างนั้นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใจใจจะต้องมีความสงบ มีอินทรีย์ที่สงบนั้นก็ขอให้เกิดเป็นความสํารวมระวังเพราถ้าหากว่าคนเราสํารวมระวังอะไรได้มันก็ตัดปัญหาอะไรได้มากมายเรื่องที่ไม่จําเป็นไม่เกี่ยวข้องอะไรก็ไม่รู้ไดเลยก็ได้จะเดือดร้อนอะไระยิ่งเป็นความดีเป็นผลดีแก่จิตใจของบุคคลอีกทีนี้ ในด้านของกายินรีก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวอิริยาบถ ต, ต่างๆซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพระระดับที่เข้าถึงจุดในการปฏิบัติจริงๆตัอนก็เป็นการเผยแผ่ธรรมะในแนวหนึ่งในระดับหนึ่งอย่างที่ท่านเล่าถึง อุปการชีวกที่เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดความประทับใจเลื่อมสายแล้วก็มองจินตนาการหายไปเลยเป็นพระอระหันต่างต่าที่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงอะไรแต่ถ้าดูที่ไหนดูที่อินทรีย์ซึ่งสงบระงับในส่วนนั้นก็คือจักขุนศีกับกายินทรียแต่นั้นเด้งในส่วนอื่นมันก็ดูไม่ออกเห็นลักษณะความสงบระงับก็เกิดความประทับใจ หรือพระษารีบุตรตอนที่เป็นปริภาชกไปเห็นท่านอาสชิเดินไปบินทบาต ท, ท่านทที่ตัวเองก็อยู่ในฐานะของนักบวชเหมือนกันนักบวชประเภทที่ยิงยิงมาต้องควรนะด้วยแต่เมื่อเห็นพระอาสชิท่านมีอินทรีสงบพระงับซึ่งอินทรีในที่นี้มันก็อีกแหละมันก็คือเรื่องการยินทรีกับจักขุนทรีนั้นเอ เพราะหูเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายไอ้เพราะใจนั้นก็ดูกันไม่ออกดูไม่เห็นก็ดูกันสองอย่างเท่านั้นเองอินทรีย์สํารวมระวังไหมอย่างว่าพระบิณทบาตเนี่ยบินทะบาทบ้านก็มองเลือกลักเข้าไปในบ้านนั่นนี่มันก็ถืออินทรีย์ไม่สงบหรือว่ากริยาอาการไม่เรียบร้อยไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมสายก็ถือกายอินทรีย์มันไม่สงบก็เรียกว่า ซึ่งซึง ซ, งซึ่งในตอนต่อไปนี่ยก็แสดงว่าอีกข้อหนึ่งเป็นการพิสูจน์นะครับที่จริงธรรมะดูแล้วคล้ายๆกับจะมากข้อแต่เอาก็จริงแล้วบางอย่างก็เป็นข้อหลักแล้วบางข้อต่อไปก็คื อ, ค, อคือเป็นบรไดาที่ผ่านแล้วต่อมาก็กลายเป็นการพิสูจน์ว่าทำได้จริงหรือเปล่าตอนนั้นเองเอาก็จริงแล้วก็มีไม่กี่ข้อมีอินซีอินเซียนสงบระ ง, งับอย่างพระอาตชินี่ท่าน สารีบูเทนก็เริ่มใสเริ่มใสทันทีโดยไม่ได้คุยอะไรกันเลยหรือว่าหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงเช่นอาจารย์เทศก็ดีหรือพระอาจารย์หลายท่านแต่ไม่ใช่อาจารย์คลังนะอาจารย์กรรมฐานนะ่ะคือเราเห็นท่านแล้วเราก็เกิดความเริ่มใส เกิดความศรัทธาในอิรยาบทตอนั้นเองไม่ต้องพูดต้องแสดงอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัเป็นการแสดงถึงภายใ น, นคนเราถ้าลองโกรธแล้วนั่งเรียบร้อยนี่เป็นไปไม่ได้หรือว่ากำลังโลภจัดอยู่แล้วไม่ยอมไม่ไม่มองดูอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นอกจากว่าเป็นพวกมายาเือนพวกฤษีจำศีลพวก นกยางจำศีลหรือพวกฤาษีกินเที่ยอะไรเนี่ยก็ถามนิทานที่ท่านเล่าไว้มันก็อีพวกหนึ่งแต่โดยปกติแล้วก็เป็นไปไม่ได้พระพฤติกรรมของคนมันเป็นการสะท้อนมาจากจิตการที่เขาสงบระงับได้มันก็แสดงว่าจิตใจเขาสงบระงับแล้วก็ต่อไปก็นิ ป, ปโกะอันนี้ตัวสำคัญเลยนิ ป, ปโกะนี่คล้ายๆกับหลักที่จะกินรอบตัวย้อนขึ้นไปข้างบน แปลว่ามีปัญญารักษาตนได้ด้วยท่านทั้งหลายจะพบว่าเรื่องของปัญญานั้นเป็นหลักในพระพุทธาศาสนาทีเดียวพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าพุทธก็ดีอราหันตสัมมาสัมพุทธก็ดีอนุตตรกุลิสธรรมาสมาธิก็ดีสถานิวัตมนุสสานังก็ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องของปัญญาวิชาญจานะสัมปันโนก็เรื่องของปัญญาพระพุทธาศาสนานั้นเป็นาศาสนาแห่งปัญญา แต่ปัญญาในชั้นนี้มันก็ต้องอยู่ในจุดที่เรียกว่ารักษาตัวได้รักษาตัวรอดคุ้มครองตัวได้เวลามีปัญหาอะไรก็วิเคราะห์วินิจฉัยตัดสินเอาด้วยลาพังตนเองโดยอาศาัยปัญญาเป็นหลักในการพิจิติพิจารณาได้ยามีอันตรายก็ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ อย่างที่ท่านเล่าถึงนางกุณฑนเกษศีซึ่งเป็นพระเถรีที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งท่านรูปนี้ก็มีประวัติที่ออกจะผ่าโผลนประมุวนคือตอนสาวๆพ่อแม่ก็กักไว้บนชั้นบนปราสาทไม่ไม่ให้เกี่ยวข้องพู้ากับผู้ชายเลยท่านก็มองมาจากปราสาทมองคนมองอะไรตอรอ่ออะไรก็มองมาจากชั้นบน วันหนึ่งก็ไปพบโจรไปเห็นโจรเนี่ยก็จะนําไปฆ่ามันเกิดชอบปติดต่อขอให้พ่อไปนําโจรคนนั้นมาให้พ่อก็มีลูกสาวคนเดียวกันที่สุดก็หาเอาเงินอทองไปให้เขาไอ้แนวกินสินบนมันก็กินมานานนะกินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะมนุษย์มีความโลภมาตั้งแต่ต้นเพราะงั้นปริมาณของความโลภมากมันก็ออกมาในลักษณะอย่างนั้น แต่ว่าโจรนั้นไม่ได้มีความรักอะไรในานางมันได้มาเป็นสามีแล้วมันก็คิดคือคื อ, ค, อคือคล้ายๆกับเอามาถูกขังอะ่ะเป็นลักษณะของอะไรคือการลักินีมันอยู่ร่วมกับสิริไม่ได้ในโบราณท่านว่าอยู่ร่วมไม่ได้คนเหล่านี้คือเอาให้ไปอยู่ที่ดีๆมันก็อยู่ไม่ได้มันจะต้องไหลไปหาที่ต่ำในสูก็วางแผนที่จะเอา นางเนี่ยไปฆ่าเพื่อชิงทรัพย์สมบัติเท่านั้นเองก็บอกว่าตอนที่ก็นำไปสู่ตะแรงแกงก็ได้บนเทวดาไปจำภูเขาไว้เ็าขอให้ช่วยให้รอดพ้นจากความตายแกก็จะไปทำพิธีบวงสวงเ็าขอให้นางเนี่ยคือเป็นธิดาเศรษฐีตอนนั้นยังไม่มีชื่อก็อไม่รู้ชื่อก็อเรียกกุลธิดาก็ ประดับตกแต่งข่างกายสวยงามมาจะไปบงสูงด้วยกันพอขึ้นไปจริงๆก็ขึ้นไปบนยอดเขาเพียงสองคนนะแกก็บอกความประสงค์ให้นางก็อ้อนวอนขอ ร, อร้องด้วยประการต่างๆก็จะเอาอะไรก็เอาไปก็ทรัพย์สมบัติก็มีอยู่บนะ้างแต่แกก็ไม่ยอมคือคือเอาทรัพย์สมบัติ ด, ด้วยแต่ต้องฆ่าปิดปากด้วยนางเห็นว่าโจรคนนี้ไม่มีน้ำใจเ ไ, ไม่มีความสำนึกคุณไม่มีน้ำใจ และยังจะเอาชีวิตเราเอีกแต่ท่าคิดว่าปัญญานั้นก็ไม่ได้มีไว้สมัครต้มแกงกินมันก็ต้องใช้แก้ปัญหาได้แล้วท่านก็บอกว่าคือจะจะฆ่าก็ฆ่ า, าคือผลักมันมีภูเขาเป็นที่ทิ้งโจรนะอยู่ในกรุงราชครึเป็นภูเขาราชชันเวลาเขาเขาจะฆ่าโจรเขาไม่ได้ฆ่าไงเนะี่ยเขาเรียกภูเขาเป็นที่ทิ้งโจรก็เอาไปถึงก็ผลักลงจากนั่นเอง นะก็ตายเรียบร้อยไม่ต้องห่วงทีนี้นางก็บอกว่าก็ขอให้แกได้ทำพิธีบวงสวงแล้วก็แสดงความจงรักภักดีต่อต่อโจนในฐานะที่เป็นสามีซยก่อนโจนก็ยอมรำไปรำมาเ พ, พ, พ, พ, พ, พ, พ, พล้ยเพลินเพลินแกก็ผลักโจนตกลงไปโจวก็ตายตัวเองก็ต้องหนี นีแล้วก็ในที่สุดก็ไปศึกษาเรียกศาสวาัฏจนมีชื่อเสียงมากโต้อตอบปัญหาจนใครสู้ไม่ได้ได้ชื่อว่าชมพูกาเรียกว่าผู้พิชิตชมพูทวีปนะต่อมาภาษาดิบุตรก็ไปตอบปัญหาท่านได้แต่ว่าท่านตอบปัญหาภาษาดิบุตรไม่ได้ท่านก็ยอมเข้าบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุอรหัตซึ่งประเด็นสําคัญท่านจะเห็นว่ามันอยู่ที่ปัญญาซึ่งช่วยตัวเองได้ ปัญญาในขั้นใช้งานจะต้องใช้ได้ไม่ว่าในชั้นใดก็ตามในชั้นของการแก้ปัญหาในชั้นของการวิเคราะห์ตัดสินเหตุการณ์บุคคลเรื่องราวต่างๆตลอดถึงเรื่องของธรรมะเรื่องของอารมณ์ตั้งอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า น, นิพพโก ค, คือรักษาตัวเองได้เพราะถ้าคุ้มครองตัวเองไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็มีก็เหมือนไม่มี ซึ่งแน่นอนปัญญาในชั้นนี้จําเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนกันพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องรายละเอียดอย่างเมื่อคือนนี่มีมีคนคนหนึ่งคือไม่ทราบแกบเป็นอะไรคนนี้อยู่ทางเมืองสิงห์แล้วก็ไม่ได้การแสดงตัวอะไรแล้วก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงส่งจดหมายมาให้นมานด้วยเลยส่งมาส่งเทพมาส่งอะไรเอกสารมา เพื่อจะให้ไปนับถือโพธิรักในสันติอโศกอะไรเงี้ยันคือก็เป็นคนที่น่าสงสารนะฮะในในเอกสารเหล่านั้นก็าเขียนเป็นรูปตอนพระพุทธเจ้านิพพานนะแล้วก็มีดอกมณดาราปโรหล่นลงมาแล้วก็ยกภาษตขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่ให้บูชาพระองค์ด้วยดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็แปรบิดเบือนพระพุทธวัจนะเอาแล้วคนรี ที่มม่ดูปัจัยิดกมันก็หลงนะฮะมันก็หลงได้คือพระพุทธเจ้ารับสั่งได้เพียงว่าการบูชาตถาคตด้วยดอกไม้อย่างนี้ไม่ชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยบูชาอย่างยิ่งคือไม่ใช่จุดสุดยอดของการบูชาแต่ผู้ใดประพฤติธธ ร, รมสมควรแก่ธรรมที่ตถาคตแสดงแล้วนะชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งก็เท่านั้นเองเรื่องมันเท่านั้น คือเมื่อเอาอมิสบูชากับปฏิบัติบูชามาเปรียบเทียบกันปฏิบัติบูชาดีกว่าเท่านั้นเองแต่เราก็ไปปฏิเสธโครมไปเลยปฏิเสธโครมไปเลยว่าไม่เป็นการบูชาไม่ใช่ไม่เป็นการบูชาก็การบูชามีสองอย่างนี่นะอมิสบูชากับปฏิบัติบูชาบูชาในวัตถุพัสดุสิ่งของต่างๆแม้ดอกดอกไม้ดอกเดียรเนะี่ยคือการมองปัญหาเนี่ยเราต้องมองในมุมอื่นด้วย แม้ในตรงนั้นที่จริงมันก็ชัดอยู่แล้วนะฮ ะ, ะเวลาสมมติว่าไปถูกเขาคนอื่นเขาบิดเบือนมาในจุดนั้นเราต้องมองในจุดอื่นด้วยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่ายังไงในเรื่องเหล่านี้เช่นสแสดงเรื่องนาง เ, าเทพธิดาตนหนึ่งที่นำดอกบวบขมเพื่อจะไปบูชาเจ ด, ดีย์แต่นั้นเด็กแต่ก็ยังไม่ถึงได้ทั้งไปนะถูกงูกัดตายซะก่อน แต่ใจที่ทั่นเหนียวอยู่ ท, ที่ที่พระเจดีย์นันก็เป็นอนุสติก็ทําให้จิตผองแผ่ก็ตายไปเกิดในสุคติโดยการบูชาด้วยอะไรเล็กเล็กน้อยๆด้วยข้าวตอกด้วยอะไรต่ออะไรพระเจ้าก็แสดงมาเยอะแยะเนี่ยนั่นพวกอา mith ทั้งนั้นไม่เห็นอะไรเลยพอาิต t h ทั้งนั้นวัตถุสิ่งของทั้งนั้นก็เล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยไม่ได้มากมาย แต่ปัญญาที่ใช้ไปมันก็ไม่มีการวิเคราะห์เลยคุ้มครองตัวเองไม่ได้แล้วมันจะลากให้เราไปด้วยก็นี่ก็เป็นเรื่องเด็กขำมาเยอะเลยมาบ่อยเลยยมคนนี้แปลกจริงๆไงไม่เคยแสดงตัวผู้รักความเป็นธรรมนะใช้คขำอย่างนั้นยังไม่รู้ไอ้ธรรมคืออะไรเดี๋ยวําไปนี่ปัญญามันก็มีแต่คุ้มครองตัวรักษาตัวไม่ได้พอ ไปเจอระหว่างของจริงกับของเทียมเนี่ยเราแยกไม่ออกมันก็เดินซื้อของเทียมนะนั่นเองก็ต้องต้องต้องแยกออกต้องแยกออกเป็นปัญญาที่สามารถจําแรกแยกแยะสิ่งต่างๆแล้วก็เทียบเคียงได้แล้วก็หาจุดเด่นของเรื่องต่างๆได้ปัญญาในชั้นนี้จึงจึงมีความจําเป็นเรียกว่า ไม่ว่าจะอยู่ในจุดใดก็ตามก็ต้องพัฒนามาให้ได้ในจุดนี้ในการซื้อสิ่งของก็ต้องมีปัญญาแยกออกระหว่างของจริงกับของแท้ระหว่างประโยชน์คุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนเป็นต้นเนี่ยมันก็ใช้กันไปเรื่อยๆต่อไปก็มันเป็นการพิสูจน์อะไรเป็นการพิสูจน์อินทรีย์อันสงบแล้วก็มีปัญญารักษาตนก็คืออปากะโพยอย่างที่ว่าในชั้นนี้นะฮะในชั้นนี้เขาไม่ได้แปแลลึกซึ้งขนาดขนาดนั้น แปลเพียงว่าเป็นผู้ไม่ขนองไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาคื อ, อาการกายก็มีความสำรวมระมัดระวังพอสมควรแต่ว่าเราไม่ใช่ไปเพ่งเลงเอาเอามากเกิดไปนะฮะบางทีชาวบ้านไปเพ่งเลงที่อาการเดินเดินองนี้เดินไม่เรียบร้อยก็เดินเนี่ยมันมันมันมันเป็นปุคลิขของคนอะ ก็เดินเขาอย่างนั้นนะก็ไม่มีคนเดินเหมือนกันะเราสังเกตุดูมีคนก็เดินเหมือนกันหรอกแค่เขาเดินเขาอย่างนั้นเองอ่เป็นปกติเป็นวิสัยของเขาถ้าเราจะไปกําหนดว่าต้องเดินเหมือนกันนะไม่ได้บางทีก็มีอะไรเกินเกินไปแม้แต่ที่เอาบินตาบาดนะฮะเพราะพระพังงวนเดินสํารวจมาจะก้าวจะย่างหนอไปหนอๆอย่างนี้ไอ้เดินบินตาบาดก็ไม่เดินหนออย่างนั้นนะฮะ เดินไปธรรมดาเดินบินทบาตันนั่นเองแบบนั้นก็เรียกแฟชั่นโชว์เฉยเดินแบบแฟชั่นโชว์เออต้องการแสดงเพื่ออวดเท่านั้นเองวิธีเดินบินธบาติไม่ว่าใครก็ตามก็เดินบินทบาติเท่านั้นสมัยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก็เดินบินธบาติไปเดินไปธรรมดาอิยฉาบถปกติย่าบทปกติที่ใครเดินเร็วเดินช้ามันก็เรื่องของท่านคือคนบางคนก็เดินช้าไม่เป็น อย่างอุปชาตมาในท่านอายุต้งหกสิบแล้วต่อไดาอายุยี่สิบกว่าเนี่ยพอเดินตัดทุ่งก็จ ร, งจริงเสร็จเลยท่านทิ้งรีบเลยเดินไม่ทันนั่นนะก็ท่านเดินก็นท่านอย่างนั้นตลอดเป็นปกติเป็นวิสัยของคนถือไม่ใช่เรื่องขนองเลยไม่ขนองนั้นเปนเรื่องปุคลิกเรื่องคุณลักษณะเฉพาะคนของเขาแต่ขนองกายขนองวาจาเช่นเช่นว่ามือเท้าไม่ไม่ยอมอยู่นิ่งไม่ยอมสงบเนี่ยฮะ ต้องอะไรบางทีนั่งกรรมฐานเพื่อนนั่งกรรมฐานก็ไปดึงกระถ u ง g ป lastic มาลากลาลากลอันนี้ขันนองมือมากไปหน่บางทีก็หยิบพวงกุญแจมันก็แคกก็แคกก็แคกก็แคได้ตลอดรายการนี่ยพวกขนนองกายขันนองตาอยู่ไม่นิ่งไม่สงบไม่มีอะไรก็นั่งขีดพื้นขีดพรมเล่นไปนี่คือพวกขนนองไม่สงบไม่นิ่งมีในที่นั่งกรรมฐานบางแห่งเนี่ยไม่สงบเลยนะฮะ เคสังเกตบางคนนี่แ ก, แกต้องทําอะไรแกทำได้แล้วแกก็นั่งกับมระธานทั้งคราแต่แกก็ต้องทำอะไรกันสักอย่างแล้วคงจะนึกได้ตอนนั้นได้ไงมาด้วที่จริงก็คงไม่จะนึกตอนนั้นเพราะเตรียมถุงมาดึงขลากคาดเตรียมมาตั้งแต่บ้านมาดึงมาดึงไปแล้วนั่งกับปาะานมันขนองฮะมันขนองเขาเรียกนี่อปาเกะโปคือขนองกายขนองมาจากอยู่ไม่นิ่งหรือว่า ในด้านของพูดจาการกัน ก, ก็พูดพูดจนข น, นองไปข น, นองไปอย่างไม่รับผิดชอบอย่างที่วันก่อนที่จะมาไปเตือนเตือนพระนักพูดองค์นะฮะฟังเทปก็แกนะแลวก็ชอบแกเออองนี้ค้าฉีเราจะได้ขึ้นวานตะกี้องค์แต่รู้สึกแกขะ น, นองไปอ๋อพบ ก, กันก็เตือนแต่จริงก็สั่งเตือนไปนะฮะแล้วก็พอพบ ก, กันก็เตือนแกซ้ำอีกแล้วก็พูดเพลินๆนะซึ่งเราจะเห็นว่าขะ น, นองเนะี่ยมันไม่ได้พระธรรมะ มันพลาดปิดนิดเดียวตั้งเองฮะประโยคเดียวมันล้มอะไรไปได้ทั้งประโยคบางทีเราอาจจะไม่คิดคือต้องการจะเน้นอะไรสักอย่างแม้ผู้หลักผู้ใหญ่เราในบางทีจชนว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสุญญตาเท่านั้นไม่สอนเรื่องอื่นเลยอย่างเงี้ยล้มเลยนะประโยคน์มันล้มเลยเลยเป็นการตู่พระพุทธเจ้าเลยอันนี้คือคันองมากไปต้องการต้องการจะกระชับความเพื่อเห็นว่าเรื่องที่ฉันจะพูดต่อไปนี่สำคัญมาก และเรื่องเดียวที่พระพุทธเจ้าพูดแต่แท้จริงแล้วมันมุสาวาทเนะพราะที่พระพุทธเจ้าสอนให้รวบรวมทรัพย์สมบัตินะอุทนะสาสาาัมมาาเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้เหมือนกระจอมปลวกสะสมสะสมดินทีเ ล, ทเล็กทีเล็กทีละน้อยเป็นจอมปลวกใหญ่จนร่ำรวยนะไม่เจตสุญญาตาหรอกรวยกันใหญ่เลยอสอนให้รวยเลยเท่านั้นเนี่ยมันล้มประโยคคําว่าเท่านั้นคําเดียวนี่มันปิดประโยคอื่นหมดเลยปิดธรรมะส่วนอื่นไว้ทั้งหมด หรือว่าพระเทว่าเนี่ยก็มักคล่องนะฮะที่จริงก็ไม่ได้เจตนาหรอกเขาคล่ อ, คองไปเพื่อต้องการได้เห็นจริง mm. เห็นจังเขานะบอกว่ า, าคนพวกคริสพ อ, อ, อมีลูกเขาก็บอกพระเจ้าส่งลูกมาให้เลี้ยงพอลูกตายก็บอกพระเจ้าเอาลูกกลับไปแล้วก็ไม่ร้องไห้เท้าวทรงเสียใจอะไรผิดกับคนไทยเราคนชาวพุทธเราพอลูกตายเราก็ร้องไห้พอลูกเกิดมาก็ดีใจพอลูกตายก็ร้องไห้ มันที่จริงมันเป็นมุสาวาทมันเป็นมุสาเพราะว่าคิดเองก็ไม่คิดอย่างนั้นแ ล, ล้วคิดเองนี่ร้องไห้มากกว่าพุดแต่อีกนะร้องไห้มากกว่าเพราะไม่ได้มีหลักในเรื่องใจหลักไม่ได้การศึกษาในเรื่องแบบ น, น, นี้และการพูดอย่างนั้นมันก็เป็นการยกคนอื่นมาเหยียบย่าตัวเองเหยียบย่าตัวเองในแง่ที่ไม่เป็นจริงด้วยมันข้า น, นองข้า น, นองวาจาเลยเพื่อต้องการให้สมจริงสมจังนะมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งซึ่งในแนวเหล่อนนี้ท่านจะเห็นว่าแนวทางหนังสือพิมพ์เนี่ยมันขนองวาจาเยอะแต่มันก็มันออกมาเป็นตัวอักษรทนั้นเองอย่างตัวมดแกแกไปรายงานพบคนตายนะฮะโอ้ยแกบรรยายแต่หยดย้อยเลยเหมือนแกแกไปยืนดูเหตุการณ์ทั้งหมดเลยมีคนนั้นเดินมามีคนนั้นตามมาแล้วว่าเจ้คลาคลาก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดมันโกหกเรื่องจริงมีแต่คนตายแต่นะั่นเองอะ เรื่องจริงมีเฉพาะคนตายอยู่คนหรือสองคนก็ตามแต่มีคนตายทตนั้นส่วนเรื่องอื่นเรื่องโกหกทั้งหมดเพราะยังไม่ได้สอบสวนนะยังไม่ได้สืบเลยว่าคนนี้ตายเพราะอะไรเพราะเหตุอะไรเพราะฆ่าเพราะจริงทราเพราะอะไรแต่ะะะอะไรเรายังไม่รู้เลยนะดังนั้นทีพิมพ์เขียนประโยดนย่อยแล้วคล้ายๆเรื่องจริงแต่เรื่องข้านองวาจามันเป็นมุสาวาตนะเป็นมุสาวาต ด, ด้วยแต่ที่จริงมันก็เพื่อเจ้านะเพืเอ่อเป็นสัมเป็นสัมผัสปลาปะคือคําพูดเพื่อเจ้าเฉย แต่เราก็อ่านคล้ายๆจะจริงนะแล้วท่านต่างหลายไปอ่านดูว่าท่านท่านมองนึกดูเป็นเรื่องเมื่เรื่องจริงได้ยังไงนักข่าวไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่นะฮะเหตุการณ์นั้นมาเกิดกลางคืนด้วยเหตุการเก์เกิดกลางคืนไม่มีประจักษ์พยานถ้านายนี้แกสามารถรู้ได้ขนาดนั้นก็แสดงว่าแกปกปิดเป็นพวกเดียวกับผู้ร้ายปกปิดผู้ต้องหาเอาไว้มันต้องจับด้วยกคนี้ก็เป็นเรื่องคันนองว่าจา่าพูดเพลินๆไปเยอะละฮะเรื่องคันองกายคันองว่าจา่า แต่พวกขนงกายกขนองวาจาเนี่ยรู้สึกบุคคลก็ชอบนเรื่องที่เราชอบกันแล้วก็ต่อไปก็กุเรสุอนานุคิโตนะคือการไม่เกี่ยวข้องไม่ผูกพันในในเรื่องราวต่างๆมากจนเกินไปนะฮะคือคือบางทีคนเรานี่ทําตัวเองให้ลําบากด้วยความผูกพันกับตระกูลทั้งหลายเกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังเป็นเรื่องเป็นราวกับตระกูลเหล่านั้น เ, เน้นจริงๆก็เน้นที่พระนะฮะว่าที่จริง ก็เน้นที่พระคือพระเราถ้าไปเกี่ยวข้องผูกพันกับตระกูลต่างๆมากมันก็วุ่นวายแต่เรามองในแง่ของของชาวบ้านคือถ้าเราไม่ผูกพันอะไรกันมากจนเกินไปคือไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องนั้นมากใจเราก็สงบได้จะเอาคนโน่นตายคนนั้นแต่งงานคนนั้นขึ้นบ้านใหม่เราต้องไปอยู่เรื่อยฮะผลท้ายเราก็ไม่เป็นตัวของเราเองมันไมีความจําเป็นอะไรละบางทีไอกิจกรรมเหล่านี้ไอกิจกรรมคนผมไฟขึ้นบ้านไม่จะร้องอายุเยหา หาเป็นวิธีหาจะตังค์เพื่อนวิธีหนึ่งอ่ะปีเดียวกัจัดงานมันจะกี่ครั้งอ่ะฮะมันก็แค่ขายสินค้าลดราคาจนไอ้ภาพประกาศลดราคาเปื่อยแล้วเปื่อยอีกแลเปลี่ยนกันแล้วเปลีออ่ยน อ, อ, อ, อีกมันลดอยู่ทุกปีทั้งปี่มันลดอย่างเงี้นเป็นเป็นกิจกรรมที่หาประโยชน์ไปแล้วก็ไม่ไม่ไปจริงอาจังอะไรคือถ้ามีความจําเป็นก็ไปถ้ามีความจําเป็นก็ไม่ไปแต่ว่าก็ไปก็พอเหมาะพอควรเพื่อไม่ให้ เสียทางไมตรีแต่ก็ไม่ถึงก็ต้องไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นก็กลายเป็นอะไรก็แบบสาระวุติวุตินั่นเองคือประพฤติเบาๆเบากายเบาจิตต่อไปก็มาถึงจุดหนึ่งน่นจะคุดดังสมาจเรกินจิเยนะวินยูปรเริ่รบุปวันเดียคือวินยูชนติเตียนในเรื่องอะไรก็ตามวินยูชนติเตียนในเรื่องอะไรก็ตามไม่ควรกระทำสิ่งเหล่านั้น ซึ่งพระพุทธศาสนาเรานั้นให้ความสำคัญแก่วินยูชนวินยูนั้นก็แปลว่าผู้รู้ดีผู้รู้วิเศษคือเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนะฮะเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นคนดีคือท่านเหล่านี้จะติเตียนก็ในเรื่องคือคือท่านเอาการกระทำมาติเตียนท่านไม่เอาคนมาติเตียนก็เรียกว่าอาศัยกรรมเป็นหลักตามหลักที่เรียก ว่อาอะไรยกย่องคนที่ควรยกย่องตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อมีเรื่องที่ควรเกรี่ยวกับยกย่องและควรตำหนิเป็นหลักของพระพุทธวัจนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในแง่ของวินัยนั้นเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของการบริหารว่าดูก่อนอ น, อนนท์เราจักกระนาบแล้วกระนาบอีกคนมีสาระก็ตั้งอยู่ได้คือไม่ประณีประสายเหมือนกับช่างที่ทําภาชนะต่างๆเนี่ยฮะคือ ตบแต่งทุบตีโดยไม่ประณีประนแต่เพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้มันได้ประโยชน์ได้คุณค่าขึ้นมาใครมีสาระก็อยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปนี่เน้นไปที่ผู้บวชจริงๆนะเน้นไปที่ผู้บวชคือคนที่บวชมาก็ต้องขับเขี้ยวต้องเคี้ยวกรำกันเต็มที่แหละก็อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็สึกก็ายเนได้ว่าอะไรแต่ถ้าอยู่มันก็ต้องอยู่ให้ให้ใช้งานได้ให้ได้ประโยชน์ถ้าอยู่ไม่ได้ก็สึกออกไป อักษาศีที่ลดลงมาจึงเป็นแนวหลักในการปฏิบัติว่ายกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทําที่ควรยกย่องตําหนิคนที่ควรตําหนิในเมื่อเขามีการกระทําที่ควรตําหนิเพราะลักษณะของบัณฑิตท่านจะไม่เพ่งโทษคนอื่นแต่จะเพ่งโทษตนเองซึ่งผิดก็คนพานเป็นการเพ่งโทษคนอื่นไม่ค่อยเพ่งโทษตัวเองอย่างที่ทงแสดงว่าคนพานมีการเพ่งโทษคนอื่นเป็นกําลัง ส่วนบัณฑิตมีการเพ่งโทษตนเองเป็นกำลังมันก็มีนี่คือข้อแตกต่างเพราะในการเนียใดก็ตามที่ท่านผู้เป็นบัณฑิตท่านตำหนิตีเตียนนะฮะเราก็รับฟังแต่ถ้าเป็นคนผ่านเราก็ไม่รับฟังคือไม่ใส่ใจเลยทัไปเพราะถ้าเราไปใส่ใจถึงคนผ่านแล้วนะฮะชีวิตเราก็จบสิ้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไอายาณที่เขาเล่าถึงอะไรพ่อลกูก เอาอะไรเอาลาเนี่ยฮะเอาลาเทียมเทียมเทียมเลื่อนเทียมเทียมเกวียนอะไรเล็กๆอะ่ะที่เครื่องลากบรรทุกของไปแล้วก็มีที่นั่งอยู่ด้วยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เทียมหรอกเอาลาพ่อลูกแล้วก็ลาเอาไปถึงก็พ่อก็ขี่ลานะะให้ลูกเดินคนเดินผ่านออกมาไอ้ลุงนี้แย่ จ, จัง ปล่อยลูกเดินอยู่ได้ตัวเองขึ้นไปนั่งบนห ล, ลังลาสบายแกก็ลงหรืเ อ, อเขาว่าแกก็ลงเอาลูกให้นั่งบนหลังลาแกก็เดินคนก็บอ ก, กว่าเออไอเด็กนี่มันก็เหลือเกินนะทรมานคนแก่ปล่อยคนแก่เดินอยู่ได้ตัวเองขึ้นไปนั่งบนหลังลาสบายไอ้ลูกมันบอกให้พ่อลงไอ้พ่อก็ก็ติบทีทั้งแรกนะไม่กล้าลง เอไม่กล้าขึ้ น, นะฮะก็ตกลงว่าขึ้นไปนั่งทั้งสองคนได้เลยก็ทำยังไงเราคือว่าลูกนั่งก็ถูกติพ่อนั่งก็ถูกติพ็ขึ้นนั่งสองคนคนก็ติอีกโอ้ยสองคนนี่มันทรมานสัตว์จริง ล, ลาตัวเล็กนิดเดียวนั่งในทั้งสองคนจะ <c oughs> ทาไงฮนะนั่งคนเดียวก็ดา่าสองคนก็ดา่า ก็ในที่สุดมันก็ลงคนระับลงก็คนบอกว่าเออเนี่ย น, นี่มันมันเดินช้าช้าไปเนี่ยมันเดินไปตั้งสองคนมันน่าจะหามลาแอบไ ป, บไปมันเดินเร็วได้หน่อยอก็ค้าเทียก็เลยก็หามลาไปเลยมันก็ไม่อะไรฮะมันไม่เป็นตัวคนตัวเองเลยเปิดน้ำทายก็สร้างความลําบากให้แก่ตัวเองคนพาเนี่ยมันจะติได้ทั้งหมดเลย ไม่มีอะไรนะครใครทําอะไรแกติได้ทั้งหมด เ, เพราะมันตินี่มันง่ายนะแล้วบางทีก็ไม่หาทางออกอะไรให้เขาเอามาเคยพบพระเถระรูปหนึ่งท่านเก่งมากเลยอยงคนี้เอามาก็นับถือท่านมากเลยแต่ว่าไม่ชอบท่านอย่างหนึ่งท่านติเรื่อยแต่ท่านไม่บอกว่ามังคุดไอ้ที่ถูกนะคืออะไรท่านเขียนหนังสือทั้งเล่มนี่ท่านดาเพื่อนไปได้ทั้งเล่มเลยแล้วท่านไม่บอกไอ้ที่ถูกนะคืออะไร มาไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมนับถือนะหลวงพ่อเนี่ยความรู้นี่เก่งมากแต่ว่าอ่านหนังสือหลวงพ่อไอ้นั่นก็ผิดคนนั่นก็ไม่ถูกคนนั่นก็ไม่ดีคนนั่นก็ใช้ไม่ได้ไอ้ที่ใช้ได้ที่ดีที่ถูกมันคืออะไรหลวงพ่อบอกให้หน่อยจีคนอื่นก็จะได้ทําอ่ะแล้วท่านก็ไม่บอกแล้วท่านจนตายนะเขียนหนังสือแนวนั้นอยู่ตลอดเลยตลอดเล่มงอ่ะไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นั่นก็ไม่ดีมันควรจะ คนนั้นเขียนหนังสือไว้ก็ผิดตรงนั้นผิดตัวนั้นบาลีนว่าอย่างนั้นอะไรแต่ว่าว่าไปเลยแล้วท่านก็ไม่บอกทางที่ถูกให้ซึ่งที่จริงแล้วน่าจะใช้นะฮะคือถ้าท่านรู้อะไรที่ถูกอะไรผิดเราก็บอกอันนี้ผิดนะแล้วก็บอกที่ถูกมันเป็นอย่างนี้เราก็บอกไว้ให้คนอื่นก็จะได้หลักแต่มันจะผิดผิดผิดผิดผิดอยู่เรื่อยก็นี้แหละฮะอย่างตัวอย่างในในในขณะนี้ที่บื้อว่าอย่างเนี้ย เห็นอะไรขึ้นขารถไฟนะฮะคือท่านจะเห็นว่าสมมติว่าไม่ขึ้นเนี่ยะก็จะต้องมีถูกดา่าแต่ขึ้นก็ถูกดา่ามันด่าได้ทั้งนั้นเลยเพราะั้นการทำงานการดำรงชีวิตของคนพระพุทธเจ้าให้หลักว่าอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการระณะวสีโก เ, ยยเกออเิอยู่ในอำนาจของเหตุของผลแล้วก็ไม่ต้องแครคว้าดินอะไรทำงานไปให้อยู่ในอานาจของเหตุของผลมีกฎมีเกณฑ์มีเงื่อนไขมีหลักการ ที่ถูกต้องยุติได้เหตุด้วยผลได้มันก็ทําไปเพราะถ้าเราเกรงเพราะคาํคาด่าคําตําหนิคำข้อนแคะอะไรเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรนี่ก็ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันสามคนนะบนรถไฟก็ต้องหามหามลาเลยนะพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่าบุคคลไม่ควรใส่ใจถึงถ้อยคําของคนทุศีลเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขาด่าได้ทั้งนั้นคนขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังด่าได้เนี่ย อย่าเอาภาษาอะไรกับคนทั่วไปแล้วก็มีแนวอะไรคติต่างๆที่โบราณท่านสอนสอนให้เราตระหนักในเรื่องเหล่านี้เอาไว้มากเช่นอะไรนะเช่นโครงโลกกนิตที่ว่าม้าใดตัวร้ายขบบาทาอยากัดตอบต่อหมาอยากขึ้นทรชนชาติ่วดทารุนโทษจะโกรธ จ, จะหน้าบึง้งตอบถอยถือความมันก็เท่านั้นนะฮะ จะเอาเรื่องราวอะไรกับคนเหล่านี้ไม่ได้แต่ถ้าวินยูชนแล้ไม่ได้ครับวินยูชนนี่ท่านท่านไม่เอาอะไรส่วนตัวของท่านเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ท่านจะเอาไอผิดกระถูกคือความผิดความถูกความผิดความถูกไปแปะอยู่ที่ใครคนนั้นก็กลายเป็นคนผิดคนถูกแต่แต่ที่ท่านพูดนั้นท่านพู ด, พ ด, พดถึงตัวความผิดความถูกท่านจะชี้ในประเด็นเหล่านี้เพราะั้นการการะทาอะไรก็ตามที่วินยูชนยกตำหนิติเตียนแล้วก็อย่าทำสิ่งนั้น นี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะเป็นเรื่องง่ายๆในหลักของการพินิพิจนาซึ่งเราจะพบว่าแม้แต่ตัวเกิดทีริโอตปะตัวโดยเฉพาะยิ่งอตัวตัวเกิดต่อโอตปะเนี่ยข้อที่สองก็ทงสแสดงว่าวินยูชนตมนัมเนวินยูชนตมนัมเแล้วพอพอทำอะไรในส่วนของความดีเราจะพบว่าจะมีข้อหนึ่งคือวินยูชนยกย่องสรรเสริญก็เอาเอาวินยูชนเป็นหลัก สมบช่าวพูดเราที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องสับสนวุ่นวายเนี่ยคือข้อนี้พระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญนั่นเลยอันนี้พระเจ้าว่าไว้ยังไงไม่ไม่ไม่ต้องไปดูไอ้คนนั้นว่าไว้ยังไงคนนี้ว่าว่ายังไงยุ่งกับเปล่าซึ่งแนวความเห็นความคิดความเห็นในปัจจุบันเนี่ยท่านหลายลองสังเกตว่าเวลาพูดวิเคราะห์วิจัยกันทางวิชาการเนี่ยคือนักวิชาการมักพูดว่าผมมีความเห็นว่าอย่างนี้ไอ้ผมน่ะมันปัจเจกชน่ะคือหลักวิชาว่ายังไงหลักศาสนาว่ายังไรหลักนิติศาสตร์เนี่ยว่าอย่างไง ผมปับมันเป็นปัจเจกชนทันทีเลยมันไม่มีน้ำหนักอ่ะมันเบาหลงเลงอ่ะแต่ถ้าเราใชา้ข้อนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เราไม่ต้องเอาเราก็ไปใส่แล้วอัตราเรามันใหญ่เรล่าเปล่าคืออัตราที่ไม่เคยได้เรื่องแต่ไรก็เอาหลักเอาหลักโอกรโอเกนข้อนี้พระพุทธเจ้าว่าว่ายังไงแล้วก็เท่านั้นน่ยคนอื่นว่ายัางไงไม่สําคัญแล้วคนเราก็จะได้หลักได้หลักในการดรํารงชีวิตในการตัดสินปัญหาต่างๆ ทีนี้สมมุติว่าไอ้เสียงมันมาจากข้างนอกอะ่ะก็อีกแหละเพราะเราก็เกี่ยวข้องกับสังคมก็ดูเสียงที่มาจากข้างนอกว่าคนนั้นเป็นใครนะครับคนนั้นเป็นใครเมื่อเมื่อวานนะวันซื่นนะวันซื่นวันซื่นตอนเช้าคุยกับอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งคุยกันเรื่องเนี้ยเรื่องรถไฟเนี่ยโอ้แมแกะเล่นเสียไม่มีดีเลยเล่นจะไม่มีดี Tuo, i, <e เราพอเราก็ดูภูมิหลังเราก็รู้พวกนี okay. ้มันอคติเต็มตัวเลยคือเหตุผลที่พูดว่าไม่ดีเพราะว่าไอ้คนที่เป็นรัตมณีของมนาคมไม่ถูกกระแก่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้้คนนี้ทําอะไรแล้วมันต้องไม่ดีหมดเลยก็มันก็วิเคราะห์ไอ้ความพฤติกรรมที่แสดงออกมาได้นะฮะโดยสะท้อนไปถึงจิตแล้วก็มองไปถึงภูมิหลังว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลของความดีหรือการณ์วัชิโก แต่เป็นเรื่องของอคติเป็นเรื่องของอคติเพราะแท้ที่จริงเองงานบริหารท่านเหล่านี้ก็ทํามาแล้วนะฮะแล้วก็เห็นฝีมือมาตั้งสองปีก็ไม่เห็นมีฝีมืออะไรเหมือนกันนี่ก็คือคือเรื่องของอคติอคติบางก็ก็พร้อมที่จะเอียงไปเอียงมาด้วยฉัททาด้วยโทสาด้วยพยาด้วยโมหะเนี่ย ท่านตั้งหลายได้โปรดสังเกตว่าในชั้นนี้พระพุทธเจ้าจะเอาทุกแห่งนะฮะทุกจุดของการดํารงชีวิตการทํางานหน้าที่เนี่ยพระพุทธเจ้าต้องเอาอาคตินี่ไว้ทุกแห่งนะเว้นจากอาคติเว้นจากอาคติทุกแห่งในหน้าที่การงานเพราะตัวอคติเป็นตัวยุ่งที่สุดในโลกในบ้านในเมืองเราเนี่ยเราไม่ค่อยวินิจฉัยเหตุผลต่างๆกันด้วยข้อเท็จจริงด้วยความดีต่างๆหรือแม้แต่การมองปัญหาพระเมื่อวานอย่างผู้ได้ครูดิพิสุนโลกก็ฟัง วันเดียวนี้ที่มันยุ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพระนั้นเรามองคล้ายๆกับมนุษย์ต่างดาวเอ๊ะคล้ากับคนที่มาจากโลกอื่นบวชปั๊บต้องปุ๊บเลยนะเรียบร้อยทุกอย่างแต่เราไม่ได้นึกว่าพระนั้นคือผลิตผลของสังคมมันมีการเลื่อนไหลามาจากสังคมมันมาจากสถาบันครอบครัวมาจากโรงเรียนมาจากสังคมแล้วข้ามาวัดปัญหาถ้าจุดเริ่มต้นของสังคมคือสถาบันครอบครัวสถาบันที่ให้การศึกษาแล้วก็สังคมดี พระซึ่งเป็นผลิตผลหน่วยหนึ่งของสังคมมันก็เป็นพระเดียเปิดปุ๊บติดปั๊บได้เหมือนกันแต่นี่มันอะไรมันเละมาจากครอบครัวเนะี่ยมันเละมาจากตรงนูนนะ้นอยู่ตั้งครอบครัวกันกี่ปีอยู่ที่โรงเรียนกี่ปีมาบวชสองสามเดือนสิบห้าวันเจ็ดวันแล้วจะให้ดีได้ไงมันก็เป็นเป็นการเลื่อนไหลายทางสังคมแต่ว่าเรามองพระคล้ายๆกับมาจากต่างดาวเนะ มาก็สําเร็จมาแล้วนะฮะลงปุ๊บก็เรียบร้อยปั๊บแล้วเพื่อนยังข่มจีวรไม่ได้เลยเพื่อนยังข่มจีวรไม่ได้เราจะให้มานฟ้านี่ข่มจีวรไม่เรียบร้อยยังหัดจะข่มจีวรยังไม่เป็นเลยนะเอาแล้วนี้ก็คือความรู้สึกที่ไม่ยุติโดยเหตุผลมันเป็นอะไรมันเป็นโมหะกติมันเป็นโมหะ ก, า ต, หากาติที่เราไม่ได้มองสิ่งเหล่านั้นในแง่ของข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพระก็คือผลิตผลอย่างหนึ่งของสังคม ทำไมนักการเมืองเราถึงรบทะเลาะวิวาทการแย่งชิงตาแหน่งอารวาดกันอย่างนี้ออกปกดาปกขาวนี่ปกบกชําเลือดช้ำหนองก็ออกมานเรื่อยเนี่ยหรือมันจะออกกันอย่างนี้แล้วก็ออกไปอย่างงั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นผลผิดผลทางสังคมเหมือนกันมันเป็นผลผิดผลทางสังคมมันเริ่มมนจาสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาแล้วก็ทางสังคมทางการเมืองซึ่งแต่เราสร้างของคนของเรามาตั้งแต่จุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นจากครอบครัวให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเข้าอกเข้าใจยอมเหตุผลยอมรับนัำถือกันมันอยู่ในจุดไหนของสังคมก็ได้คนเหล่านั้นมันก็พร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็คือคืออะไรคือเราเราไม่ได้มองในแง่ของวินิจฉัยแต่เรามองมักมักจะถูกย้อมสีด้วยความรู้สึกที่เป็นอคติดังกล่าวพระศาสนาจึงให้ความ ส, าสนใจให้ความสําคัญแก่ วินยุชนเป็นหลักคือถ้าคนอะไรนี่เ็าเรียกว่าเสียงนอกเสียงกาปากปูปากคอยอะไรนี่อะไรนะไอคอยไม่มีปากนะปากคูปากปูปากคอยนะคนไทยกขพูดมันทำอะไรไม่ได้เลยเสียงนอกเสียงกาก็ท่านั้นก็ปล่อยไปตามเรื่องแต่ว่าในบางการณีนะฮะในบางการณีของการดำรงชีวิตเนี่ย ไอ้คนประเภทนั้นบางทีมันก็มีอะไรเหลือๆอยู่บ้า ง, างก็เรียกฟังหูไว้หูไว้บ้างก็ดีเป็นกันแต่อยาไปถึงก็ให้ความสําคัญอย่าไปเดือดร้อนแดี๋วคนบางคนนี่ไม่เจอบัตรสนเทศอันเดียวแล้วนอนมือกายหน้าผากสามวันเจ็ดวันแล้วก็เสร็จไม่ต้องทำอะไรมาสนเทศกรงเกษตรกระดาษก็ดีเอกันส่งมากไปได้ห่อของนัอาเราไม่ต้องให้ความสำคัญอะไรกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าวินอยูชนเราต้องฟังเดียนะฮะ ผู้ใหญ่ท่านว่าท่านท่วงติงมาท่านตักเตือนมาเนี่ยเราต้องฟังเนี่ยแม้เป็นประโยคสั้นๆประโยคเล็กๆน้อยๆอย่างเมื่อวานเนี่ยมาไปพิษุนโลกแล้วก็เลยไปดูที่เขาทะเลาะเรื่องพระกันเวลามันว่างไ้ม่ถ้าดูก็เห็นชาวบ้ากนกาลังทำพิธีใบสงใบศีกันก็มีข้าวนะฮะมีข้าวว่าคงจะหาความสงบยากสองหมู่บ้านเนี่ย พอไปไปหักหานอะไรมารุนแรงคือคือเรามองไอ้สารนั้นมองในแง่สารคือหมายความว่าในแง่วินัยมันก็เป็นอย่างนั้นนะว่าจริงจริงวินัยเนี่ยเขาเรียกค่าูปพันคือของสงฆ์เนี่ยของสงฆ์ของหนักที่เป็นของสงฆ์เนี่ยเป็นของสมบัติวัดไหนถึงวัดนั้นรางแล้วก็เราก็เอามาได้แต่เมื่อวัดนั้นฟื้นตัวขึ้นต้องเอาไปคืนต้องให้คืนแต่เราพูดถึงของสงฆ์ไม่ได้พูดถึง JD, เจดีพระพุทธรูปมัน เ, เป็นเจดีย์นะฮะ พุทธรูปเป็นเจดีย์มันมีเหตุผลทางเรื่องทางเรื่องของของศรัทธาและมีเหตุผลทางทางจิตวิทยานี่มากมันข้าไปเกี่ยวข้องอยู่มากเพราะถ้าหากว่าวัดเหล่านั้นเกิดรื้อฟื้นขึ้นมาแล้วเอาพระกลับได้เนี่ยเราต้องนึกว่าหลวงพ่อจินนาสีก็ต้องกลับพิจิตรโลกฮะอยู่ไม่ได้วัดอรเนี่ยพระศรีสักกยมนีพระาศาสดาในพระในกรุงเทพประมาณ 2,000 รูปนะฮะพระประธานพระใหญ่ๆต้องขึ้นภาคเหนือหมดเลย อันนี้เราเราไม่ได้มองในรูปของสังหาริมาทรัพย์แต่เรามองในรูปของเจดีเจดีก็ให้อยู่ในาศาสนาสถานกันแล้วกันอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นสมบัติรวมของชาวพุทธทั่วทางท้งโลกนะฮะทางประเทศเอาไม่ต้องทางโลกนะทางประเทศเป็นสมบัติร่วมกันไว้ที่ไหนก็ได้ไม่จะไปพังโบสถ์เอาท่านออกมาอย่างนั้นมันก็อ่านกันเกิดตายก็รู้สึกไม่ค่อยดีรัศดาใานการไม่ค่อยดีที่นั่นก็ ใช้กองทหารกองตำรวจถือปืนไปเป็นร้อยๆนะฮะมันเหยียบน้ำใจเขามากเหตุผลทางจิตวิทยาแล้วก็เถื่อนแรงเอ่ยมาก็ไม่กล้าไปที่วัดวัดซึ่งพระอยู่ก่อนก็ไปจะเพระว่ดที่เขาได้พระมาแล้วเพราะถ้าไปก็โยมก็ต้องเล่าอะไรฟังซึ่งก็รู้สึกว่าแต่เราไม่พูดอะไรก็ไม่ได้ถ้าพูดอะไรก็ไม่ได้ก็เลยก็ไม่ไปเลยดีกว่านี่ก็ เป็นปัญหาที่เราต้องมองในแง่อะไรนะแง่ของวินโยชนอีกละแง่ของวินโยชนว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่เรื่องทรัพย์ปุตต ร, รูปไม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแต่ปุตต ร, รูปเป็นเจดีเป็นอุเทสิกะเจดีแล้วก็มีไอเรื่องของศรัทธาความเลื่อมใสนะครับการยอมรับนับถือในฐานะที่เป็นพุทธปฏิมาถ้าชาวพุทธเราเข้าใจเหตุผลนะฮะ พระพุทธรูปคือพระพุทธปฏิมาที่เป็นรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็พร้อมที่จะกราบพระที่เป็นรูปพระหรือแม้มได้ทําด้วยดินด้วยความสนิทใจเพราะเราน้อมลำลึกถึงพระพุทธเจา้าแต่ชาวพุทธเรายังนับถือพระพุทธรูปเป็นหลวงพ่ออยู่เนี่ยยุ่งตอนนี้ยุ่งจังเลยนระพุทธรูปเป็นหลวลงพ่อหลวงพ่อจินนาีหลวงพ่อจินนราชหลวงพ่ออะรยะโสธรฮะหลวงพ่อหลวงพ่อจินน ร, ร, ราศกนะับหลวงพ่อยะโสธรนี่รวยมากกว่าเพื่อนหลวงพ่อวัดไร่ขิงอะไรสามองค์นี่รวยมาก มันก็กลายเป็นหลวงพ่อไปที่จริงนั้นเป็นพุทธปฏิมาแต่นั้นถ้าเรามองในแง่พุทธปฏิมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือท่านอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วเราก็ไหว้องค์ไหนก็ได้เราไม่ได้ไหว้องค์นั้นเราไหวหลวงระพุทธเจ้าเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแต่อาศัยท่านเป็นสื่อแต่นั้นเองเพราะนั้นถึงคราวที่เมืองไทยเนี่ยจะต้องพัฒนาความรู้สึกนึกคิดของชาวคุทธให้อยู่ในรูปที่เรียกว่าพรุทธรูปทุกองค์นั้นเป็นปฏิมาคือรูปเปเรียบของพระพุทธเจ้า ไอ้พวกที่รุนแรงก็คือไม่ถึงก็ต้องไปเอาพระพุทธรูปตัดเศียรพรุธรูปจำน่ายไปขายอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องไปแย่งพระพุทธรูปกันท่านอยู่ที่วัดไหนก็นิมนต์ท่านอยู่ตามสบายสบายเราศรัทธาจะไหว้ก็ไหว้ตรงไหนก็ได้หรือว่าต้องการยังติดอยู่ตรงนั้นก็ไปนิหน่อยก็ได้เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกกันแล้วประการต่อไปนั้นก็มาเริ่มที่ตรงไหนคือท่านจะเห็นว่ามันก็มาจุด จุดนี้มันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะฮะทั้งหมดนั้นคือพัฒนาตัวเองมาตลอดเป็นระบบการศึกษาที่เริ่มปรับตัวเองมาพอถึงจุดหนึ่งมันก็เกื้อกูลกับคนอื่นละถึงจุดนี้เราอะไรเรามีหลักในการดารงชีวิตเรามีอินทรีย์สงบระงับเรามีปัญญารักษาตัวได้แล้วก็เราแยกอะไรได้แล้วเวลาสัมผัสกับคนเราแยกได้ว่าคนนี้เป็นคนผ่านหรือคนบัณฑิตคนฟังหรือไม่คนฟังต่อยคำเขาแยกได้ ต่อไปก็ส่งสอนให้ตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายสุขิโนเขมินโนขนตุให้มีความสุขมีความกเกษมสองอย่างนะฮะในในที่นี้ทรงใช้สองอย่างสเบสตาพวันตุสุขิตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขมีความกเกษมสำรากตั้งเจตตั้งจิตแผ่ไปในที่นี้ทรงทรงอะไร ทรงจำแนกแส ด, แดงออกไปเป็นลักษณะของสัตว์สัตว์ยาวก็ดีสั้นก็ดีมีท่าก็ดีไม่มีท่าก็ดีคือจำแนกจำแนกหมดเพราะว่าเป็นการอยู่ป่านะฮะเป็นการข้าไปอยู่ป่าก็ต้องแผ่เมตตาจิตไปในสัตว์เหล่านั้นแล้วก็เรื่อยไปจนถึงกับสแสวงหาพบไม่สแสวงหาพบไปไรเนี่ยเอาไปด้วยเวลานี้ ท, ที่ที่พระนำมาสวดในพิธีมงคลที่บ้านนะแต่ว่าก็นำมาเฉพาะตอนท้ายสี่บรรทัดตอนข้างบนที่ว่ามานี่ก็ไม่ได้สวด แต่อาจจะเป็นเพราะพรก็พอๆกันพอๆกันโยมก็ขี้เกียจฟังฟ้าก็พอดีขี้เกียจสวดขี้เกียจสวดแต่สวด น, น้อยสานมากเท่าไหร่ยุ่งแต่ก็พอพอดีกันเมื่อก่อนนี้ท่านก็สวดเต็มสวดเต็มแต่อย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยญาติโยมเขาเรียนต้องเรียนหนังสือจากธรรมะสวดขนาดนี้ท่านฟังออกท่านฟังออกว่าหมายความว่าอย่างไง เราะก็เป็ น, ปนคําที่บางคําเราก็ใช้กันในภาษาบาลีอยู่แล้วแก็ไม่ใช่ในภาษาไทยอยู่แล้วการแผ่มเมตตาจิตนั้นก็คือการสร้างความรู้สึกที่จะเห็นโดยสรุปก็คนอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้มีความสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนและประเภทของสัตว์ถึงแม้จะจําแนกโดยวิจิตพิสดารอย่างนั้นก็ตางนะครับ แต่ก็สรุปแล้วก็คืออะไรฮะมีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่ที่เราสวดในปุญยศจีดานั่นเองนะฮะมีขันห้าก็คือสัตว์ทั้งหลายทั้งตไปนะฮะมีมนุษย์เป็นต้นปลายก็สวดบ้านขันห้ามีขันหนึ่งก็คือพ ว, พ, วะะพวกพรมลูกฟักนะฮะพวกพรมลูกฟักที่เราเรียกพรมลูกฟักพรมลูกฟักในท่านได้สมาธิได้สมาบัติแล้วท่านก็ตายด้วยสมาบัตินะฮะ คือสมาบาร์กขงท่านเวลานั่งแล้วมันก็ตัวคเรียกว่าสัญญาเวดายตานโรธมันจิตไม่ทำงานจิตไม่ทำงานมันดับสัญญาดาเวทนาหมดก็นั่งกับตัวแข็งเป็นท่อนไม้เนี่ยแล้วท่านก็ตายไปด้วยนั่นก็ตายไปก็มีเฉพาะเป็นกายมีเฉพาะเป็นรูปไม่มีนามก็เ ป, เป็นการพัก เป็นการพักกระแสสังสารวัฏอยู่ระยะหนึ่งเหมือนกับไม้แต่ทอดไม้ที่มันไหลแล้วก็เก็บขึ้นไว้บนตลิ่งมันลอยน้ำถูกกระแสน้ำพาดแล้วถูกเก็บเป็นไว้บนตลิ่งระยะหนึ่งเท่านั้นเอง อ, อย่างหนึ่งก็พวกขันสี่ก็คือพวกอารู ป, ปรพรัซึ่งมีเฉพาะนา ม, มาขันสรุปอย่างนั้นนะฮะแล้วการจำแนกแสดงก็แล้วแต่การจำแนกแสดงคือบางทีจะพูดในเชิงรูป คือกระจายออกไปตามประเภทของสัตว์มีท่ามากเท้าสองเท่าไม่มีเท่ามากเท้าอะไรอะไรเนี่ยแล้วแล้วแต่จะจะจำแนกแต่ก็เมื่อกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่สัตว์ทั้งสามประเภทนั้นเราจึงใช้คําง่ายๆบางครั้งบางครงาวเราก็ใช้คําว่าสัพเพสตาร์เฉยๆกระทายแผ่เมตตาบางทีมันก็แผ่แบบง่ายๆนะฮะใจสองบรรทัดมันก็สรุปรวมหมดคือทั้งเราทั้งคนอื่นไปเลย เป็นการสร้างความรู้สึกซึ่งท่านจะเห็นว่าการแผแ่เมตตาในในในลักษณะนี้มันต้องการจะบันทอไอพวกอะไรคือความไม่ไม่ยินดีไม่พอใจปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งหงุดหงิดโกรธความโกรธโทสะปะทุศระก็แล้วแต่นะฮะแล้วมันพร้อมที่จะเกิดเช่นท่านทั้งหลายขับรถไปเพื่อมาเบียดเพื่อมาแซงเนี่ยมันเกิดปฏิฆะนะแต่ถ้าเราแผแ่เมตตาได้เออจังรับ ไปช่างเขาตัวเดียวนะที่จริงก็ได้อะไรอยู่เยอะช่างเขาขับขับรถเพื่อนปาดหน้าเพื่อนแซงเพื่อนแซงเราก็ให้เขาไปดีมีสุขได้กันจะประคุณอย่าให้ถึงกับเกิดอุบัติเหตุเลยเรา ก, ก็ก็ทำใจสบายๆนะแทนที่เราจะโกรธเราก็คิดอะไรก็สบายๆเป็นการสร้างความรู้สึกเพื่อ ตัดทอนไ อ, ไอ้เนี่ยตั้งแต่ความไม่พอใจนะฮะมันก็ขึ้นหมดความไม่ยินดีความไม่พอใจความโกรธความหงุดหงิดจะออกมาเรื่อยๆจะทำให้จใจเรามีความสงบเย็นตังสงบเย็นมากยิ่งขึ้นเมตตานั้นจะท่านมองอุปมาให้เห็นว่ามันเหมือนกับความรู้สึกของพ่อแม่พ่อแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งท่านจะเห็นว่าลักษณะของเมตตาจึงไม่อิงอาศัยรูปธรรมแต่ว่าอิงอาศัยนามอิงอาศัยนามธรรมาความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่อิงรูปธรรมให้ท่านลองสังเกตนะฮะนอกจากว่าพ่อแม่บางคนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยโดยทั่วทไปนะฮะโดยวิญญาณของพ่อแม่ไม่อิงรูปธรรมบางทีลูกเกิดมาพิการโศกปรกมอมแม่แต่ในความรู้สึกคนอื่นไม่กล้าแต่ต้องะฮะแต่พ่อแม่ท่าน อุ้มท่านถนุธนอมกัท่านได้ไม่อิงรูปธรรมแล้วไม่อิงความรอบรู้ความรู้ก็ไม่อิงนะบางทีเราก็ชื่นชมก็คนที่มีความรู้มีความสามารถลูกเราบางทีโง่จะตายนะแต่ว่าเราอุ้มก็อุ้มลูกเราอันนี้ก็คือเมตตามันไม่อิงรูปธรรมไม่อิงความร่ํารวยไม่อิงความสวยงามไม่อิงความร่ํารวยไม่อิงความรอบรู้อะไรแต่ไรไม่อิงอย่างอื่นแต่ว่าเป็นการอิงธรรมะ เ ป, เป็นการอิงการยอมารับว่าคนนี้ลูกนะฮะคนนี้คือลูกเราแล้วมันก็กระจายแนวความคิดนี้มันกระจายออกไปว่าคนทั้งหลายมันก็คือเคลื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่ว ม, มเจ็บร่วมตายเร า, ร า, รา อ, รอันนี้กระจาอยออกไปใหญ่นะฮะกว่าจะกระจายออกไปนั้นนัเออกว้า ง, า ง, างขนาดนั้นที่จริงในการเจริญนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนในลักษณะตายบันไดเพระอวกาจิงเราก็เราก็สเปรดตาไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะฮะว่ายสวดนั้ น, ะนะนะน já, ได้นะฮะ พอสวดแล้พอได้แต่ว่าในแง่ของความรู้สึกให้ทําได้จริงๆเนี่ยรู้สึกว่าทํายากแลนะตองอะไรแล้วฮะขึ้นรถหรือขึ้นรถไฟอะไรเนี่ย เ, เพื่อนไปมานั่งเบียดหน่อยก็ไม่ได้แล้วสับเพสตาไม่ออกแล้วเพื่อนแสงหน่อยเพื่อนเอาของมาวางทับเอวางขวางที่เดินเราหน่อยเราก็สับเพสตาไม่ออกแล้วก็ท่านก็สอนให้พยายามทําทา้งความรู้สึกทีนี้ท่านเหล่านั้นท่านก็ไปทำฮะ คือในครั้งแรกมันนอกนอกจากเป็นระบบพัฒนาตัวเองสหรับภิกษุแล้วเวลาท่านสาธยายพวกอเทพเหล่านั้นแกก็ฟังรู้มันก็เป็นการสอนเทพเหล่านั้นไปเลยเสร็จ แ, แล้วก็สร้างความรู้สึกเมตตาซึ่งหมายความว่าพระเองท่านก็เริ่มแผ่เมตตาแล้วก็เทพเหล่านั้นท่านก็มีเมตตาตอบการอยู่ร่วมกันก็เกิดเป็นปกติสุขเพราะคาถาบทนี้คนสมัยโบราณเขาถือเป็นคาถาเข้าป่า เวลาเข้าป่าเนี่ยบทนี้ทั้งหมดะฮะตั้งแต่กรณียมัตากุศเลนะมาเนี่ยเป็นคาถาก็สาธยายในป่าพระเข้าป่าทางกรรมฐานาก็ดีหรือโยมไปอยู่ป่าเที่ยวป่าตัดหาของป่าเนี่ยพวกนี้ต้องจำคาถาเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดก็สีบ่บรรทัดหลังเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดไมตรีจิตระหว่างตนเองกับสัตว์ทั้งหลายแล้วให้ปลอดเบรปลอดภัยต่อกันด้วยกันนะนี่ก็เป็น พระสูตรที่เรานำมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆที่จริงหลายปีมารู้สึกจะ23งปีที่แล้วมาเคยบรรยายข้างล่างมารัานแล้วลเพื่อจะบอกให้ท่านทั้งหลายทราบถึงพระสูตรที่มันเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตของเราและโดยเฉพาะก็คือองค์ธรรมแต่ละข้อที่ทรงสแสดงเป็นระบบการปรับปรุงการพัฒนาชีวิตตัวเองมาโดยลาดับแล้วก็เมื่อเรามีขีดความสามารถในที่สุดมันก็สร้าง เพื่อแผ่ความดีไปแก่คนอื่นในชั้นแรกก็เหมือนกับการเก็บรวบรวมทรับหลวงบัติหรือเก็บรวบรวมความรู้เอาไว้พอเรามีความสามารถแล้วเราก็เพื่อแผ่แก่คนอื่นให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นหลักของการบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ตามหลักของปชิมโอวาทีท่ทรงแสดงไว้ก่อนจะนิพพานของพระพุทธเจ้าสําหรับในวันนี้ก็ ยุติลงด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน